เราอยู่สลานอกอยู่ใกล้ท้องนาฝนตกเมื่อเช้าเนี่ยตั้งบ่ายตีสองฝนตกตีสองจนถึงสว่างพวกกบเขียดก็ดลร้องนะเห็นไหมเหมือนกับอยู่บ้านนอกบ้านนาจริงจริงวัดของเราเนะี่ยป่าหลวงพงไพ่มีทั้งเสียงจันนีมีทั้งเสียงกบเสียงเขียร้องให้พวกเราได้ฟังเห็นไหย เป็นดนตรีอันหนึ่งเหมือนกันนะดนตรีป่าฟังแล้วไม่แสลงหูเงียบกบเขียดร้องในป่าในหนองในท้องนาวันนี้เป็นวันที่เก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบพระในวัดของเราสามสิบแปดรูปสมัมมาเนนสองนาคสอง แล้วก็วันนี้เป็นวันพระสิบห้าคำ่ำเดือนเจ็ดเป็นวันเพนเดือนเจ็ดเพนแล้วก็วันคราวหน้าถ้าว่าเป็นวันเดือนแปดเพนก็เป็นวันเข้าพรรษานะเป็นวันอาสารหบูชาแรมค่าหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาเพราะนั้นขอให้ลูกหลาน ทุกคนพระเนมทุกองคศรัทธาญาติโยมให้เตรียมพร้อมแล้วก็ในวัดของเราจะมีการทุกปีที่ผ่านมาพวกเราจะมีเวลากำหนดรับนาคนาคที่จะบวชในพรรษาปีนี้ก็นาคที่จะบวชในพรรษาปี2560กําหกำหนดรับวันที่ 23-24 มิมิถุนา มิถุนายนแล้วก็นัดรวมนาคที่จะบวชในพรรษาปีสองพั้ารสิบวันเป็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาคมไปว่าบวชนะบวชพระเขา้าพรรษาเป็นวันที่หนึ่งแต่รับนาควันที่ยี่สิบสามยี่สบสี่ถ้าลูกหลานผู้ใดที่ยินได้ยินเสียงหลวงพ่อแนละ้วก็เอานำนาคเข้ามาเข้ามาเพื่อจะฝึกขานนาคฝึกซ้อมฝึกขานนาค ฝึกกับกริยาของนาคจากนั้นพวกเราจะได้เตรียมตัวเข้าพรรษาวันที่วันที่9วันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2560เป็นวันอาทิตย์เป็นวันเข้าพรรษาเราต้องบวชก่อนอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์เราต้องมาเตรียมพร้อมในการที่จะบวชหนึ่งอาทิตย์ รวมแล้วมาอยู่ก่อนเข้าพรรษาสองอาทิตย์ถ้าเรามาอยู่ถ้าเข้ามาลูกหลีลุกลนแล้วขานหนากไม่ถูกเราไม่ให้บวชนะพอพระพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาของหลวงพ่ออินไม่ใช่พุทธศาสนาของพระสงฆ์ในวัดนี้เป็นพุทธศาสนาฟังเป็นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าต้องเรา พวกเราต้องเข้ามาอยู่ก็ต้องรักษาก ฎ, กฎกติกาของพระพุทธเจ้ามันจึงจะถูกไม่ใช่มาเหยียบย่าไม่ใช่มาอลไรตัวเองจะเป็นใหญ่ อ, อะไรก็ได้เอาเลยทำเลยเป็นการเหยียบย่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ถูกเราต้องเคารพกฎกติกา ก, กฎกตฎิกาเดินไปยังไงเราต้องปฏิบัติตาม อันนั้นแปลว่าศาักะยะบุตรที่แท้นะถ้าว่าบวชเราไม่ปฏิบัติตามก็แปลว่าเรามีที่รับที่แจงรับรับรอรอแล้วก็เหยียบยำ่ำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ย่อยยับให้เสียหายไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราต้องรักษากฎ ก, ฎกติกาเวลาจะบวชหน้าก็ต้องท่องสาธยายให้แม่นยำ อสาหังพันเตให้ถูกอัคระไม่ใช่บอกสุกเอาเผากินมาแล้วก็ลูกหลีลูกห ล, ล, ลนบวชเข้ามาแต่ เ, เขาบวชหลวงพ่อเคยพูดว่าเคยบวชก้วยน้ำว้าบวชมันสำปะหลังบวชอะไรตบนีอะไรเขาก็ยังเตรียมกระพัดะาเตรียมฟืนเตรียมหม้อเตรียมกะทิมะพร้าวาก็ยังใช้เวลาพอสมควร การบวชพระจะมาบวชฉุกเอาเพาะกินง่ายๆได้หรือบวชพระทั้งองค์บวชแล้วก็ไม่ภาคภูมิใจเพราะตัวเองบวชแบบไม่ถูกตามกฎกติกาถ้าเราบวชตามกฎกติกาทุกอย่างบวชประมาแล้วเราสบายใจนะนาคก็สบายใจพี่น้องผู้เกี่ยวข้องทุกคนก็สบายใจผู้ใหเพราะบวชถูกตามอักษรตามหลักพระธรรมวินัย อันน้ขขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะจะไปอยู่นัสถานที่ใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระของหลวงพ่อเนี่ยที่จะบวชพระองค์ใดก็ตามต้องให้อยู่ในกฎกติกาอย่าไปแบบลุกลี่ลุกลนอย่าไปตามใจโยมเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาของโยมผมจะต้องรีบไปทํางานผมบวช ได้มีขอลาได้เพียงสิบห้าวันเพียงเจวันผมขอบวชเออเจวันจะไปท่องนากได้ยังไงพอจับเข้ามาแล้วก็าตามใจโยมกลัวจะเสียญาติโยมว่าตามกันไปตัวเองเหยียบย่าทําลายพระพุทธศาสนาเหยียบย่าทําลายทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจุดนั้นไม่ดูเห็นแก่โยมไม่เห็นแก่แก่พระพุทธศาสนาไม่ได้จะถูก อ, อ เสียส่วนใหญ่ได้ส่วนเล็กส่วนเล็กได้มาก็ไม่ใช่ว่าจะภาคภูกใจพอเขามาบวชเขามาแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรอีกพอบวชเขามาผมขอไปบวชเจ็ดวันไม่เห็นได้อะไรสิบห้าวันไม่เห็นได้อะไรพระม่ได้อยูเอ่เดินโตะ๊ตะโตเ ต, ต, ต, ต, ต๋งเงียบเงบีย บ, บ, บ, บไปเขาหารู้ไหมว่า พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรน่สอนไม่ชั่นไม่ได้สอนให้ทํางานทั้งวีทั้งวันไม่ใช่ชั่นสอนให้คิดอยู่ในใจให้เดินอยา่างกรมให้นั่งภาวนาไปไหนเดินไปที่ไหนให้มีสติสัมปชัญญะนั่งอยู่ที่ไหนให้มีสติสัมปชัญญะไม่ให้ปรุงไม่ให้ฟูง้งไม่ให้สรานออกไปข้างนอกแต่พวกเราะ่ะพอมาดูเจ็ดวันใจไม่ได้อยู่กับวัดเลยดูนู่น อยูบ้านดูเรือนอยู่ที่ไหนตัวที่ไหนอ่านั่นเลยเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระธรรมคําคสอนไหมเนีพอลักพระธรรมคําคสอนเน่ยต้องให้ดูใจใจเคื่ออะไรก็ยังไม่รู้จักอีกต่างหากเพราะไม่ได้ฝึกผลที่สุดออกไปทั้งที่มันจะได้ประโยชน์ผู้ที่เขามาบวชกลับเสียหายอีกต่างหากเพราะะฉนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้อง ทบทนแนะนําบอกกล่าวให้วิธีการปฏิบัติตนอย่างไรงเมื่อเข้ามาบวชให้ศึกษาเรื่องอะไรไม่ได้ศึกษาเรื่องการงานนะท่านศึกษาเรื่องของใจเรื่องของแนวนึกคิดความนึกคิดของใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดถ้าใจของเราดีคิดดีมีเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีไปด้วยถ้าใจของเราเป็นอกุศล อิดใจคิดชั่วทำเือเมื่อคิดชั่วแล้วต้องทำก็ทำชั่วถ้าพูดออกไปก็ชั่วอีกต่างหากเพราะออกไาออกไปจากใจนั้นหลักของพุทธศาสนาให้ศึกษาเรื่องของใจนะสรุปแล้วนะแล้วก็วันนี้เป็นวันพระขึ้น15บ้าคเดือนเจ็ดพระลูกหลานพระเนนทุกองนะจะได้ขาดตกบกพ่องบอกกล่าวกันวันบัวสดเที่ยงนะวันนี้นะ อุโบสถเที่ยงตัวเที่ยงแล้วก็มาโลงอุโบสถพร้อมกันจะได้ตามกันจะได้บอกกันอย่างที่ทุกวันที่ผ่านทุกครั้งที่ผ่านมานะแล้วก็ขอบอกกล่าวคณาจารยา์โยมทุกคนอีกพระเนนทุกองอีกในพรรษาที่จะถึงเนี้ยหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะเตรียมการอย่างไรเน่ะถ้าหาว่าเขาจะจะทําความชั่วนะ เขาจะทําความชั่วเขายัางเตรียมการเป็นปีๆเพราะเขาจะจะทําความชั่วนะเตรียมอะไรบ้างศาสตราอาวุธอะไรบ้าง เ, าเตรียมทางหบหลีนี่ไปทางไหนบ้างไปชมกันไม่รู้กี่ครั้งบางคนไปทความชั่วใหญ่นะถ้าทําความชั่วเล็กก็คิดแล้วคิดอีก เ, อเพื่อจะทําความชั่วในตัวแต่ละคน วางแผนเขาจะทําความชั่วเขาก็ยังวางแผนแต่เราจะทําความดีในพรรษานี้เราจะรักษาศีลอย่างไรเราจะภาวนาอย่างไรเราจะเข้าสู่วัดวาศาสนาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างไรในพรรษา2560 น, า25นี่เราจะไม่มีการวางแผนจะเลยไม่คิดล่วงหน้าเลยมันก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนะ เพราะนั้นเราต้องวางแผนนะพระของเราก็เหมือนกันในพรรษานี่ข้าพเจ้าจะทำยังไงข้าพเจ้าจะไม่นอนตลอดพรรษาหรือตลอดเราจะให้ได้หนึ่งเดือนหรือจะทุกวันพระข้าพเจ้าจะงดนอนทุกวันพระทดรองด8ู8ดค่ำสิบห้าค่าจะไม่นอนแต่เดินถึงกรมนั่งภาวนา ให้สว่างอ่าเร่อนี้เป็นตดเรื่องเราจะอดนอนผ่อนอาหาร อ, อไม่ใช่ว่าเราจะกินเข้าไปเต็มท้องเต็มพุงทุกวันไม่ถูกนะเป็นพระกรรมฐานนะองค์หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านสอนและบอกอีกออการปฏิบัติธรรมการนอนมากเป็นยังไงการนอนน้อยเป็นยังไงอ่ารัไม่นอนเลย เป็นยังไงอดได้หลายวันเป็นยังไงการฉันก็เหมือนกันฉันน้อยเป็นยังไงฉันมากเป็นยังไงอาหารประเภทไหนที่มันจะทำร้ายทำลายเราถ้าฉันเข้าไปแล้วมันเกิดความง่วงง่วงเกิดความกามลาคะขึ้นมาเราได้สังเกตไหมหรือต้องอดอาหารอดกี่วันจึงจิตใจของเราจรึงจะเข้าสู่ความสงบ อดวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันเป็นไงให้สังเกตรเราไม่ได้อดให้ตายน ะ, เ, ะเราอดเพื่อจะฆ่ากิเลสในใจของเราดูจิตใจของเราว่าใจของเราได้รับความสงบเยือกเย็นมากน้อยแค่ไหนในการกดอดนอนผ่อนอาหาร เ, เรานี่พวกเราก็มาต้องสังเกตในี้ก็อฝากไว้กับพระลูกหลานทุกองค์ พูดที่จะดำรงสงสาศาสนาต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่ไาจะอยู่แบบ เ, เป็นวันๆเดือนๆปีๆไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างนั้นแปลว่าเป็นพระก็ไม่ไม่มีสกยภาพไม่มีคุณภาพในตัวของเราแต่ถ้าว่าเราปรับปรุงแก้ไขกายวัยใจใจของเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหล ะ, ะจิตใจของเราจะสูงสงขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเราปรับปรงแก้ไขกายวายจิจาใจของเราอยู่เนี่ยขอให้พระลูกหลานทุกองค์ขอให้ดูตนเองอีกเหมือนกันหรือบางท่านบางคนยังไม่ได้สวดมนต์สวดมนต์ยังไม่จบหรือท่องท่อ ง, อง พ, รพระปฏิโมกย์ยังไม่ได้เอาเถนะในรรษาที่ข้าพเจ้าจะท่องให้ได้พระพระปฏิโมกย์หรือท่องสวดมนต์บทไหนนี่สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีการวางแผนเหมือนกัน สําหรับพวกเราทั้งทั้งหลายวันนั้นขอให้พวกพระลูกหลานทั้งหลายนะจะอยู่แบบไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่อยู่แบบไม่มีอนาคตไม่ถูกนะอยู่แบบไม้อยู่ในลอยน้ําไม้อยู่กลางทะเลลมพัดไปที่ไหนน้าพัดไปที่ไหนก็ไปตามไ อ, อ้ละลองอยู่จะงั้นมันไม่มันไม่มีจุดหมายปลายทางไม่น่าจะถูกเราจะเดินไปทางไหน เรามีหัวใจเรามีใจมีจิตมีใจเราจะต้องมีจุดยืนเราจะต้องปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอย่างไรสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดนะคิดปรับปรุงกายใจของพวกเราเองพระเนนทูกหลานแต่สาหรับครวญญาติโยมศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันปีนี้อายุของเราเท่าไหร่เราจะอยู่แบบอย่างเก่าเออละเหยลอยลมอย่างเก่าไม่น่าจะถูกนะ เราควรจะเข้มงวดกวดขันหาคุณงามความดีหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราชีวิตของพวกเรามาถึงปูนนี้แล้วถ้ามันจะรวยก็คงจะรวยมาแล้วละ่ะถ้ามันจะจนก็คงจะจนก่อนหน้านี้แล้วแต่เอาเถอะในชาตินี้อนในสงทานของเราคงจะได้เพียงแค่นี้คงจะไม่จนไม่รวยมากกว่านี้ทางด้านวัตถุต่อ น, นี้ไปข้าพเจ้าจะ มุ่งเน้นในหลังในทางธรรมะเราจะไหว้พระอย่างไงในปรรษานี่ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันม่เหกขาดจะทำบุญทุกวันม่เหกขาดทำบุญอย่างไงถ้าเราอยู่ไกลไม่ได้มาวัดกันนี่แหละเอากะปุกขึ้นมาแล้ว ก, ก็หยอดกระปุกทำบุญไม่ใช่หยอดกระปุกให้วัดหลวงพ่อนะกระปุกวัดไหนก็ได้ครูบายอาจารย์วัดไหนก็ได้แล้หยอดกระปุกเสร็จแล้ว พอออกพรรษาแล้วเราจะแบ่งแบ่งไปวัดไหนก็ได้เนีแต่เราให้ทหําบุญทุกวันนะเออวันนี้เราจะใส่อะไรใส่นมกี่กรองเนีใส่กล้วยกี่กรองใส่ขนมกี่กรองเราจะถวายกล้วยเตี๋ยวหรือไอชักคิมว่ากันไปหรือวันนี้เราจะถวายข้าวเปล่ากัเนีเราก็ใส่เข้าไปเสี่งเหล่านี้ เราก็ใส่ในหยอดในกระปุกไพอจะออกเป็นสาแล้วเราจะเอาไปถวายวัดไหนหรือหรือว่าเราตั้งใจจะถวายวัดใดวัดหนึ่งในใจของเราอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทานะในการเสียสละเราเราทำได้ทั้งนั้นเออเพราะเราจริตใจของเราเป็นกุศลจิตใจของเราทำทานแต่ตามม่จริงหลวงพ่อบอกว่าเกิดมาทั้งทีชีวิต ในการทําทานนี่เขไม่ควรจะประมาทไม่หวงไม่ควรจะมองข้ามเพราะคนที่จะมั่งมีซื่อสุขร่ารวยต้องอานิสงส์ทานนะเป็นพื้นฐานนะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานอานิสงส์ศีลเนื้คุ้มครองเป็นเครื่องปกป้องอานิสงส์ภาวนาให้เฉลียวฉลาดอย่มันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในพรรษานี่เราจะเอาอะไรไม่ทานด้วยมีศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฆราวาสญาติดว ง, งควรจะมีศีลห้านั่นแหน ะ, ะเรารักผู้สูงอายุขึ้นมาแล้วพอที่จะรักษาศีลห้าได้เราก็ควรจะรักษาศีลห้าในไตรามาสสมเดือนข้าพาเจ้าจะไม่คิดค่าจุงค่าลิ้นค่ามดค่าและไม่ค่าทั้งหมดข้าพาเจ้าจะไม่ขโมยอันนี้เราก็ไม่คิดอยู่แล้วนะการเมสุมิจฉาจาร์ก็เหมือนกันอายุปู่นี้แล้วเราจะไปทํา ถิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผลดีสําหรับเราเรื่องโกหกเ อ, อมีอยู่บ้างแต่ก็พยายามพยายามจะไม่โกหกให้เสียหายแล้วก็ดื่มสุราสุราเมรัยแล้วบอกของมืนเมางดเด็ดขาดถึงปูนนี้แล้วนะก็ไม่เห็นจะอยากที่ตรงไหนถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งจิตให้ที่ฐาน เ ร, เราไม่ตั้งใจมั่นเ ร, เราไม่มีเจตนารักษาศีลมันก็เลือนเรื่องลันลางลอยลยเละเละเ ล, เลเอือนเลือนไปเรื่อยเราควรจะตั้งจิตอธิษฐานเหมือนกันนะในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะสมาทานรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสมเดือนออถึงข้าพเจ้าจะไม่ในสมาทานทุกวันก็เถอะข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้า ให้ครบไตามาสามเดือนนี่แหละจากนั้นข้าพาเจ้าจะไหว้พระทุกวันจะไม่ให้ขาดที่ข้าพาเจ้าจะนั่งภาวนาอย่างน้อยวันละสามสิบนาทีนะไม่ให้ขาดแต่ละวันสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องมีสัจจะกับตนเองต้องมีความตั้งใจมั่นกับตนเองนี่แหละอันนี้คือการประกอบคุณงามความดีสำหรับตนเองเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะ แต่ว่าพวกเราไม่มีจุดหมายปลายทางเรื่นเรื่อนลางลางลอยลอยไปเรื่อยก็เหมือนกับน้ําเหมือนกับไม้อยู่ในน้ำํำลมพัดไปแา่ไหนกับปทางนั้นก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเกิดมาทั้งทีชีวิตแต่พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนในหลักพระธรรมคําสอนมีตั้งเยอะแยะไปทั้งหมด เนั้นขอให้พวกเราตั้งหลักทำตั้งตนให้เป็นมีหลักมีจุดยืนถ้าพวกเรามีจุดยืนแล้วเราจะภาคภูมิใจเมื่อภายหลังนะคณาสัตยทายญาตโยมทุกคน น, นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านให้เตรียมตรวจตราวางแผนวางแผนชีวิตของเราเราจะประกอบคุณงามความดีอย่างไร ในพรรษาปี 2,560 จากนี้ไปประมาณหนึ่งเดือนพอวันนี้เป็นวันเดือนเจ็ดเพ็นแล้วนะเนี่ยเดือนแเพลแล้วกันะใช่แล้วเป็นวันอาสารหะแล้วกับวันรุ่งขึ้นก็เข้าพรรษ า, าพวกเราต้องวางแผนาการประกอบคุณงามความดีต้องเป็นผู้จริงจังและจริงใจนะถ้าไม่จริงจังและจริงใจไม่มีสัจจะในจิตใจแล้วมันจะเลือนราง ลเลือนไปเรื่อยๆ เ, เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะที่หลวงพ่อพูดกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังก็เป็นการย้ําเตือนเป็นการบอกกล่าวแนะนําให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวคนนั้นกาไปเดี๋ยวคนนั้นก็ไปจากไปเรื่อยๆอย่อยางหลวงพ่อก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อรักเคารพนับถือเลื่อมใส โ ร, งโร่งรอยลงมาเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวนี้ก็หลวงพ่อกับโผขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปกันนะเดินตามหลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกท่านทั้งหลายก็เดินตามหลังหลวงพ่อไปอีกศรัทธาญาติโยมก็เช่นเดียวกันอันนี้ไม่ใช่เอาความตายและเอาความที่อภปมงคลมาพูดมาคุยกันบอกกล่าวให้กันฟังจริงไหมแต่ก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนไม่จริงก็ต้องจริง พร้อมออกมันเรื่องของจริงมันจริงอย่างนั้นเพราะนั้นก่อนที่จะจริงจุดนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรในหลักธรรมคำสอนท่านก็ให้ตั้งอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอ้อให้ประกอบคุณงามความดีให้มีศีลมีธรรมเนอ้อให้มีคุณธรรมในจิตใจเนอ้อถ้าจิตใจของเราดีแล้วจะไปในสถานที่ใดตายแล้วก็ดีเออก็ไปในทางดีถ้าจิตใจของเรา คิดไปในทางชั่ว ต, ตายไปก็ชั่วอยู่เดี๋ยวนี้ก็ชั่วตายไปก็เลยชั่วความชั่วแต่นั้นมันติดพบติดชาติไปหลายหลายพบหลายชาตินะอย่างพระโมกคราติดสัตว์พระโมกคราชของเราอัครสาวกเบื้งซ้ายของพระพุทธยาวท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่เพียงชาติเดียวแต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตาบอดท่านได้รับกรรมไม่รู้กี่กี่ร้อยชาติเนะี่ย อย่างน้อยต้องห้าร้อยชาติที่ตายแล้วถูกฆ่าตายแล้วถูกฆ่าตายแล้วถูกฆ่ามันไม่ใช่ชาติเดียวนะเพราะฉะนั้นกรรมชั่วถ้าเราทํากรรมหนักมันจะให้ผลยืดยาวไปทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามที่มันจะเป็นกรรมชั่วหนระือพวกเราตรงคิดดูให้ดีซะก่อนนะอย่าไปอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีถ้ามันไม่ดีแล้วกรรมชั่วจะให้ผลนั่นแหละตัวเองเดือดร้อนไปตลอดน่ะ พอ น, นึกขึ้นมาแล้วเราไม่นา่าไม่น่าทำเลยในจุดนั้นแต่จริงๆมันทำไปแล้วเนะพราะนั้นให้พวกเราคิดดูยับยั้งให้มีสมาธิคนที่มีสมาธิในจิตใจจะคิดจะทำอะไรมันต้องยับยัง้งลายเฮ้ยมันไม่ถูกนะทำได้ยังไงนะมันจะยับยั้งทางด้านจิตใจถ้าคนไม่มีสมาธินะมีใช้อารโมณ์โมโหโกธา ผลที่จุดเมื่อทําไปแล้วไม่มไ ม, ม่ไม่ใช่คนอื่นเดือดร้อนนะตนเองนั่นแหละที่เดือดร้อนตลอดไปขอให้พวกเราทุกท่านนะพันเอ็นทุกหลานทุกองนะแล้วก็การท่องอธิษฐานคําพรรษาก็ให้ผู้บาเก่าแนะนําบอกกล่าวนะให้ท่องอธิษฐานพรรษาอย่างไรก็คงไม่มากแต่ที่ยังไงก็ควรจะเตรียมเอาไว้นะ่นะพอหนึ่งเดือนถ้าจะว่ามากไหม ถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่ไม่มากถ้าเราไม่พร้อมมันมากนะ <c oughs> ถ้าเราไม่พร้อมถึงวันเข้ามาเลยทำอะไรก็ไม่ถูกนั่นแหละพระพี่เลี้ยงทั้งหลายต้องดูดูพวกน้องๆนะพวกเราอยู่ด้วยกันก็ต้องดูกันจิตจุดไหนต้องถามไทยดูอย่าไปปากหนักบางเสียงบางอย่างเราต้องถามพวกน้องๆน้องนะถามพวกเขามาใหม่ ี่ยก็อธิษฐานภาษาไม้ทองใดหรือยังเ้วก็ถามเยก็ไปไม่เห็นจะผิดที่ตรงไหนการอยู่ด้วยกันเยนนั้ <c oughs> นนการอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้อยทีถ้อยอาศัยทำผิดในกันในกลุ่มเดียวกันถ้าคนอื่นทําผิดวินัยเนี่ยไปก็โชคกไอ้ฉากไปด่าเขาทีเดียวก็ไม่น่าจะถูกเขาเราเขาเขาไม่รู้นะถ้าเขารู้แล้วนะยังขืนทําอนันันหน้าตําหนิ ว่าไรเพราะรู้แล้วไปขืนทำไม่ใช่ไม่ใช่บัณฑิตนักปลาดนะถ้าบันถ้าบัณฑิตนักปลาดแล้วนะถ้ารู้แล้วจะไม่ทำแต่เป็นพาและชนนะั่น่ะรู้แล้วรู้แล้วจะขืนทาอีกนั่นและพาและชนอ่าเป็นพระก็แปลว่าเป็นพระอรชิตาผู้ไม่มีหิริโอตปะอนะ่าเป็นพระอ ร, อรชีพนะระพุทธยาวดันตัดยังไ เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพระสากยบุตรของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ดำรงทรงวินัยรักษากฎระเบียบพระธรรมวินัยให้เข้มงวดกวดขันนั่นแหละคือสากยบุตรนะตอนนี้ไปพระสงฆ์เจ้านุ่มธนาให้พรรับพรในตินานะ